ความคิดต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่เราอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเห่า น, นั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดอย่างนี้ทุกขยอมรบับการทำ ง, งานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้สูได้ขนาดไหนเราสู้กั น, ก น, กนไปทำกันไป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 ทุกข้อการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะไปทุกเวลาจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกในเวลาทำงานท่านมันทุกข์างมากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปถ้าอยจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงแล้วหยุด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 เรียกว่ารู้รู้ทันละกะถอนไงทะลุจริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกระทบจิตใจงเราเนื่องมาจากอวทารมันก็หมดไปหมดไปไงเรียกว่าจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความน้ำพันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แหละ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 สันคิฏิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอือัจจตังเวริต บ, บุญโยหีท่านผู้รู้ท่านไหยจะพึงรู้จําพระตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเอีอ่แสนสมัยหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเท่าไหรวุ่นวายในขณะนี้ก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงออือ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 ใช้ที่จะแก้ควาองงกับของเท่านั้นพิจารณากันเรียนตรงนี้อเรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาแต่กองเพราะทุกอยู่ตรงนี้โทษไทยมาอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณพลาอันสําคัญสำคงก็เกิดที่นี่อัลละการแสดงาะห์ทำข้าพเจ้าสมควร